วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หตุลาคมพุทธศักราช 2,568 เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัตวผู้ฝ่ายรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจณสถานที่แห่งนี้จะมีการแสดงธรรม30นาทีในช่วงแรกและตามด้วยการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิอีก30นาทีด้วยกัน เพืที่จะได้กําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปตามลําดับธรรมะที่จะเอามาแสดงในวันนี้มีหัวข้อว่าที่พึ่งทางใจการที่เราจะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เราจําเป็น ที่ต้องมีที่พึ่งทางใจเพราะถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจเราจะไม่รู้วิธีกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้เราจาเป็นที่จะต้องมีผู้รู้วิธีการกาจัดความทุกข์ทางใจเป็นผู้ที่ได้กาจัดความทุกข์ทางใจต่างๆ ได้หมดสิ้นไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เอาความรู้ที่ได้กำจัดความทุกข์ต่างๆนี้มาเผยแพ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจต่อไปที่พึ่งทางใจของเรานั้นมีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นก็คือพระรัตนตยัย พระพุทธธรรมพระสงฆ์ที igail, ่เรายึดถือเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งทางใจที่เรากล่าวด้วยวาจาว่าพุทธทางสระนังกชามิธรรมสระังกฉามิสังฆทางสรนังกชามิข้าพเจ้าถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงสาวงของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจของข้าพเจ้าคือเป็นผู้ ผู้ให้ความรู้ผู้ให้คำสั่งสอนวิธีการดับทุกข์ต่างๆนี่คือที่พึ่งทางใจอันแรกแต่ยังไม่พอนอกจากมีที่พึ่งด้วยการมีครูมีอาจารย์เช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์แล้วเรายังต้องมีที่พึ่งทางใจอันที่สองถึงจะทำให้เรา สามารถการจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้ที่พึ่ที่พึ่งทางใจอันที่สองนี้ก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนคือเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเองเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้เรียนรู้เองถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาอยากว่าพูดธรรำประสง์ แล้ว เ, เอาความรู้ที่เราได้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคำสอนความทุกข์ต่างๆก็จะไม่ความทุกข์ <c oughs> <c oughs> กต่างๆที่มีอยู่ในใจก็ยังจะอยู่ในใจต่อไป <c oughs> ถ้าต้องการให้ความทุกข์ในใจหมดสิ้นไปเรา ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเสร็จแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วความทุกข์ทางใจต่างๆก็จะหมดสิ้นไปนี่คือที่พึ่งทางใจที่เราต้องมีสองลักษณะสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว เช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุได้บรรลุเป็นพระอรหันตัมมาสามุทธเจ้าได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่พในพระทยของพระองค์จนหมดสิ้นไปแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เอาพระธรรมคำสอนวิธีที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ที่อยากจะได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ให้นำเอาไปปฏิบัติพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้นำเอาไปปฏิบัติ mm hmm. ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์บรรลเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมา mm hmm. นี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รู้วิธีการดับความทุกข์อย่างถาวร รู้วิธีการดับความทุกข์อย่างสิ้นเชิงมีพระพุทธเจ้าและมีพระธรรมคำสอนและมีพระอาหารหันต์ตสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเพราะได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองจนได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแล้วใคร้งใครที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำมีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือศึกษากับพระอรหันตสาวุกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะเรียนรู้วิธีของการดับทุกข์ว่าต้องดับอย่างไรบ้างเมื่อเรียนรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเรียนรู้จากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ แล้วก็ปฏิบัติด้วยอัตาหิอัตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองตนต้องเป็นที่ผู้ศึกษาเองไม่มีคนอื่นมาศึกษาแทนเราได้ไม่มีคนอื่นปฏิบัติแทนเราได้เราต้องเป็นผู้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วรู้วิธีของการปฏิบัติแล้วว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เราก็น้ำนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติด้วยด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุ ป, ปฏิปันโนถ้าได้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนจนทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีในใจนี้ก็จะหายไปหมด นี่แหะคือที่พึ่งทางใจที่พวกเราถ้าเราต้องการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเราจําเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งทั้งสองรูปแบบนี้รูปแบบแรกก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์ของเราเมื่อเราได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็นํำอาไปปฏิบัติ เราก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติให้กับเราได้<ม>ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ของท่านเองได้แต่ท่านไม่สามารถปฏิบัติให้คนอื่นได้หลุดพ้นแทนเขาได้ใครอยากจะหลุดพ้นใครคนนั้นก็จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองต้องเป็นตัดตายิอตโนนาทโตถ้าไม่ปฏิบัติเอง ถึงแม้ได้เรียนรู้จบพระไตรปิฎกมาก็ตามความรู้ที่ได้เรียนรู้จากพระไตรปิฎกก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้เพราะความรู้ที่ได้เรียนรู้มันเป็นความรู้ที่ยังอยู่ภายนอกอยู่ไม่ได้เข้ามาภายในใจธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคของทางร่างกาย ยารักษาโรคนี้จะวิเศษกันไหนก็ตามแต่ถ้ายังไม่ได้เอาเข้ามาในร่างกายก็จะไม่สามารถรักษาโรคของร่างกายให้หายได้เช่<ม>นตอนนี้เรามียาวิเศษต่างๆอยู่ตามร้านขายยาอยู่ตามโรงพยาบาลเยอะแยะไปหมดมแต่ถ้าเราเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งร่างกาย<ม>ถ้าเราไม่ได้เอายามากิน<ม>ถ้ายามไม่ได้เข้ามาในร่างกายของเรา ยาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาพยาบาลรักษาโรคลายไข้เจ็บของร่างกายของเราให้หายไปได้เราต้องเอายาเข้ามาในร่างกายเราต้องรับประทานยาฉันใดธรรมะอันวิเศษของพระพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ความทุกข์ต่างๆหมดสิ้นไปจากใจนี้ก็เป็นธรรมะที่ยังอยู่ในใจอยู่ การได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี้ยังไม่ได้เข้ามาถึงใจยังอยู่ภายนอกใจอยู่อยู่ในความจอมอยู่ในความทรงจาที่เรียกว่าเป็นสัญญาเราเรียนรู้วิธีการกำจัดความทุกข์ต่างๆเช่นการจะดับความทุกข์ต่างๆเราต้องรักษาศีลเราต้องภาวนาเราต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาเราต้องสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมา เมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีในใจถึงจะหายไปถึงจะหายไปได้ถึงจะหมดไปได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้สร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาความทุกข์ในใจที่เรามีอยู่ในตอนนี้ก็ยังจะอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆอธรรมะก็เหมือนกันการได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนี้เพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่เพียงพอ เพราะว่ายังไม่สามารถกําจ <normal Yeshua ez. S 1> ัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเรารู้ว่าเราต้องมีศีลแต่เรายังไม่รักษาศีลเรารู้ว่าเราต้องมีสมาธิแต่เรายังไม่ฝึกนั่งสมาธิกันเรารู้ว่าเราต้องมีปัญญาเราต้องรู้อริยสัจสีรู้ตายลักว่าเป็นอย่างไรถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติ สิ่งเหล่า น, นี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นในใจของเราก็เหมือนกับยาที่เรายังไม่ได้รับประทานให้กับร่างกายถ้าได้รับยามาจากหมอไปซื้อยามาจากร้านขายยาแต่ก็ไม่กินยาถ้าไม่กินยายาที่ได้ซื้อมาจากโรงพยาบาลจากหมอหรือจากร้านขายยาก็จะไม่สามารถทาหน้าที่รักษาพยาบาลร่างกายของเราให้หายเจ็บไายได้ป่วยได้ เวลาที่เรารักษาร่างกายเราจึงต้องกินยากันนราไปรับยาจากหมอหมอบอกเอายานี้ไปกินกินล้วันละกี่ครั้งครั้งละกี่เม็ดเราก็ทําตามที่หมอสั่งกินตามที่หมอสั่งพอทําไปกินไปยาเข้าสู่ร่างกายยาก็เริ่มทํางานทําหน้าที่ของยากำจัดเหตุที่ทําให้โรคลายไข้เจ็บของร่างกายเกิดขึ้นมา พอกรรมจากจเหตุที่ทําให้ร่างให้มีโรคภัยเกิดขึ้นมาในร่างกายหายไปหมดโรคภัยที่เป็นอยู่ก็จะหายไปหมด น, นี้ก็เช่นเดียวกันธรรมโอสถทสําคําสอนของพระเจ้านี้เถวเรียกว่าธรรมโอสถเป็นยาธรรมยารักษาใจถ้าอยากจะให้ใจหายทุกข์เราต้องกินยาธรรมะ ว, วิธีกินยาธรรมะก็คือเราต้องปฏิบัติเราต้องเราต้องมีอัตตาหิอัตโนโนาโถเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองผู้อื่นปฏิบัติให้กับเราไม่ได้เราให้เราอยู่เกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอยของพระพุทธเจ้านี่เราก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยแต่ถ้าเรา ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเช่นตอนนี้พระพุทธเจ้าก็จากเราไปแล้วแต่ถ้าเรายาของพระพุทธเจ้ามารับประทานมาปฏิบัติเราก็เหมือนกับเราได้อยู่เกาะชายผ้าเหลืองเพราะว่าเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ประเด็นสำคัญก็คือนอกจากมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งผู้สอนแล้วเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองถ้าเราไม่ปฏิบัติเองเราก็มีที่พึ่งเพียงครึ่งเดียวมียาแต่ไม่กินยาเมื่อไม่กินยาโรคภัยที่มีอยู่ก็ยังไม่หายก็ยังจะเป็นอยู่ต่อไปแต่ถ้าเรากินยาได้ยามาจากหมอเอายามากินกินเข้าไปในร่างกายร่างกายก็จะหายเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเรารับธรรมะจากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์มารับประทานเมื่อเรารับประทานแล้วด้วยการปฏิบัติการกินยาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ต้องกินด้วยการปฏิบัติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนทรงสอนให้ทำสามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทําบาปทั้งปวง ให้รักษาศีลนั่นเองแล้วให้สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมรือทำบุญทําทานชนิดต่างๆตามความสามารถตามวาระตามตามเหตุตามผลมีโอกาสที่จะทำความดีในรูปแบบไหนก็ให้ทำไปจะทำทำทำความดีด้วยการทำบุญทําทานก็ได้ทำความดีด้วยการช่วยเหลือบุคคลที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็ได้ มีหลายวิธีของการทำบุญทำทานทำความดีต่างๆคือทำความสุขให้แก่ผู้อื่นให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นแล้วจะทำให้ใจของเราเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าเราอยากจะมีความสุขใจเราก็ต้องทำบุญทำทานทำความดีต่างๆถ้าเราไม่ต้องการให้ใจเรามีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปเราก็ต้องหยุดการกระทำบาปละเว้นการ กระทำบาปเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การกระพดผิดในการการพูดปดการดื่มของมึนเมาต่างๆและอบายมุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกัางคืนความเกียดค้านการคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะการกระทำเหล่านี้จะนำไปสู่การกระทำบาปต่อไป เพราะอาบายามุกนี้จะไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเมื่อเสพอาบายามุกอยู่เรื่อยๆเงินทองทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะล่อยเหลอและหมดไปได้พอเงินทองไม่พอใช้ไม่มีอาชีพไม่ได้ทํามาหากินมัวแต่มาเสพอาบายามุกก็จะต้องไปหากินโดยวิธีมิชอบไปลักขโมยไปชอ่อกลวงไปโกหกหลอกลวง เพื่อที่จะได้เอาเงินมาเสพอบายามุขต่อไปอ น, นี่คือถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ทางใจในในระดับของของการกระทาทางกายทางวาจาก็ให้เราละการกระทำบาปให้เรารักษาสีห้ามไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรม <c oughs> ไม่พูดปดไม่ดื่มของมลเมาไม่เสพอบายามุขอื่น แล้วเราก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาปของเรา<ม>แล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ทําความดีต่างๆทําบุญทําทานทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นเมื่อเราทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วผู้อื่นได้รับประโยชน์สุขจากการกระทําของเราเราก็จะเกิดความรู้สึกมีความสุขที่เกิดจากการกระทําของเรา และข้อที่สามถ้าเราอยากจะกําจัดความทุกข์ที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าการการรักษาศีล น, นี้ยังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ที่ละเอียดคือความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้ mm. เราต้องมาชําระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไป ด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาหรือการเจริญเจริญสมาธิและเจริญปัญญานี่เองการเจริญสมถภาวนานี้ก็เป็นแ บ, บ่งเป็นสอ ง, สองขั้นขั้นแรกคือขั้นของสมาธิเราเรียกว่าสมถภาวนาทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาพอเราได้สมาธิชํานาญกับ การเข้าออกสมาธิแล้วเราก็ไปขั้นที่สองคือขั้นปัญญาไปศึกษาความจริงๆของสภาวะธรรมต่างๆที่ใจที่ใจเราไปเกี่ยวข้องที่ใจเราไปทุกข์ด้วยเ<ม>ช่นร่างกายของเราใจเราเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้ทุกข์กับร่างกายนี้เราไม่รู้วิธีจะทํำยังไงไม่ให้ใจของเราทุกข์กับร่างกายของเรา ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่รู้เราก็จะทุกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็สอนให้เราศึกษาดูธรรมชาติความจริงของร่างกายว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายตามทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ เพราะว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นธรรมชาติมันเปนเหมือนดินฟ้าอากาศที่ไม่มีใครไปสามารถสั่งดินฟ้าอากาศให้เป็นอย่างนั้นหรือให้เป็นอย่างนี้ได้ถ้าไปสั่งหรือไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาฉนันได้ร่างกายก็เป็นอย่างนั้นร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าเราไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ใจ เพราะว่าเราจะไม่สามารถสั่งให้มันทำตามที่เราต้องการได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไปเท่านั้นเองนี่คือการศึกษาธรรมชาติที่เรียกว่าปัญญาธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ใจเรามาเกี่ยวข้องด้วยเบื้องต้นเราก็เกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายสามีภรรยาบุตรธิดาบุคคลเหล่านี้ล้วนมีร่างกายเหมือนกันทุกคนล้วนมีความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนเป็นความจริงที่เราต้องศึกษาต้องคอยสอนใจเพื่อให้ใจรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าบุคคลนี้เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะบุคคลนั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็จะทําให้ใจทุกข์ถ้าได้ศึกษาแล้วได้เรียนรู้แล้วแต่ยังทําใจไม่ได้ก็แสดงว่าใจยังขาดสมาธิมีแต่ปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถที่จะทําใจได้ต้องมาทําสมาธิก่อนเพราะการทําสมาธินี้เป็นการทําใจให้นิ่งให้เฉยให้ปล่อยวางนั่นเองให้อยู่เฉยๆให้ปล่อยปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเรื่องของเขา อยาไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้ปัญญาจะสอนว่าอยากไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็ยังห้ามไม่ได้ห้ามความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เพราะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้แต่ถ้ามาฝึกสติมานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งนึ่งทใจให้สงบให้วางเฉยให้ได้ ให้มีความสุขกับการวางเฉยให้มีความสุขกับการอยู่ตามลำพังให้มีความสุขกับการที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราตับตนถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วก็จะปล่อยวางร่างกายของทุกคนได้ร่างกายของคนอื่นก็ปล่อยได้ร่างกายของตนเองก็ปล่อยได้เพราะว่าไม่เดือดร้อนไม่มีร่างกายของคนนั้นคนนี้ไม่มีร่างกายของเรา เราก็ยังอยู่ยังมีความสุขได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจิตตภาวนานี้จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนต้องไปขั้นที่หนึ่งก่อนคือขั้นสมาธิแล้วถึงไปขั้นที่สองคือขั้นปัญญาถ้ายังไม่มีสมาธิข้ามไปที่ขั้นขั้นปัญญาถึงแม้จะรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็ไม่สามารถหยุดความอยาก ที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจังสุขขังนาตาได้ยังไม่สามารถยับยั้งความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างยั่งยืนถาวรได้ใจมีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างยั่งยืนถาวรแต่มันขัดกับตามความจริงความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยั่งยืนถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับเจระแล้วก็ต้องเสื่อม พอมีความอยากให้มันไม่เสื่อมใจก็จะทุกเวลามันเสื่อมเวลาอยากให้มันไม่ตายเวลามันตายใจก็จะทุกข์กับมันแต่ถ้ามีสมาธิมีมีความสุขอยู่กับความนิ่งเฉยปล่อยวางได้ใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายดัยงนั้นเบื้องต้นต้องฝึกสมาธิก่อนให้ได้สมาธิก่อนสามารถเข้าสมาธิสามารถทําใจให้วางเฉยได้อายจะ เป็นใคระตายไงก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าไม่ไม่เดือดร้อนเพราะว่าใจที่มีสมาธินี้มีความสุขในตัวของเขาเมื่อใจมันมีความสุขในตัวของมันเองมันก็ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นมาให้ความสุขสาเหตุที่ใจของพวกเรานี้ยังต้องพึ่งคนนั้นคนนี้ให้ความสุขกับเราก็เพราะว่าใจเราไม่มีความสุขจากสมาธิเราเลยต้องไปพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้พึ่งร่างกายของเรา เพื่อให้ให้มันให้ความสุขกับเราแต่ร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนทั้งหลายก็ดีเป็นร่างกายชั่วคราวอยู่ไปไม่ได้ตลอดไม่เกินร้อยปีก็ต้องสิ้นสุดลงต้องกลายเป็นซากศพไป <c oughs> ตอนนั้นใจก็จะทุกข์ทรมานเพราะไม่มีความสุขแต่ถ้าใจฝึกฝึกสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบ ให้มีความสุขจากความสงบแล้วใจก็อยู่เฉยๆได้อยู่โดยไม่ต้องมีร่างกายได้ไม่มีร่างกายของของตนเองก็ดีไม่มีร่างกายของคนที่เราลักเราชอบก็ดีไม่ต้องมีก็ได้เพราะเราสามารถมีความสุขและมีความสุขที่ดีกว่าที่มีน้ําหนักมากกว่าความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้หรือจากร่างกายของเรา เพราะร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนนั้นคนดีก็ดีก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีบางวันเขาก็ให้ความสุขกับเราบางวันเขาก็ให้ความทุกข์กับเราซู่เอาความสุขที่เกิดจากการทาใจให้สงบนี้จะดีกว่านั่งสมาธิแล้วทำใจให้นิ่งให้สงบใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเราสามารถมีได้ตลอดเวลาเมื่อเราสามารถเข้าสมาธิได้แล้วและมีความชํานาญเราก็สามารถเข้าหาสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเรามีสมาธิในระดับนั้นแล้วเราถึงค่อยไปขั้นปัญญาไปสอนใจให้ปล่อยปล่อยร่างกายของเราปล่อยร่างกายของคนอื่นอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเรา เพราะเขาไม่อยู่กับเราไปได้อย่างตลอดเวลาวันใดวันหนึ่งเขาก็จะต้องมีวันจากเราไปวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่แบบตอนต้นก็อยู่คนเดียวกับร่างกายที่เรามีอยู่นี้เมื่อคนอื่นตายไปหมดก็เหลือตัวเราอยู่คนเดียวอยู่กับร่างกายแต่แล้วต่อไปร่างกายเราก็ต้องตาย ใ, ใจก็ยังอยู่ได้เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไหนอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็จะอยู่แบบสุขไปตลอดถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็อยู่แบบทุกข์เพราะอยู่กับความอยากอยากได้ร่างกายใหม่อยากได้ร่างกายของคนนั้นคนนี้มาเป็นเพื่อนมาให้ความสุขกับเราถ้าใจยังไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาใจก็ยังต้องไปเกิดใหม่ต่อไป เวลาที่ร่างกายอันเก่านี้ตายไปแล้วใจก็ต้องไปเกิดใหม่เพราะยังต้องพึ่งร่างกายอยู่เรื่อยพอร่างกายอันเก่านี้ที่เรามีอยู่นี้มันตายไปใจก็ต้องไปรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ต่อไปแต่ถ้าเราสามารถทําใจให้เราสงบให้นิ่งให้มีความสุขจากสมาธิแล้วให้มีปัญญาปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรอีกแล้ว ใจของเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปใจสามารถอยู่ตามลำพังได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจในี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอนาาันตสาวกทั้งหลายท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติทำให้ใจนี้สามารถเป็นใจที่พึ่งตนเองได้อยู่ตามลำพังกับตนเองได้มีความสุขในตัวของตนเองได้ ไม่ต้องไปอาศัยความสุขจากร่างกายของคนอื่นเมื่อไม่ต้องการมีไม่ต้องอาศัยความสุขจากร่างกายของเราของคนอื่นด้วยของตัวเองก็ดีใจก็จะไม่ต้องไปมีร่างกายต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายอยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์ใจนี้ใจทุกดวงพวกเราใจของเราทุกคนในขณะนี้อยู่ในโลกทิพย์ เพียงแต่เราส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายนี้เท่านั้นเองพอร่างกายนี้ตายไปกระแสวิญญาณก็หดกลับเข้าไปในใจใจที่ยังมีความอยากอยู่ก็จะส่งกระแสวิญญาณนี้ไปเกาะร่างกายอันใหม่ต่อไปเกิดใหม่แต่ใจที่ไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ส่งกระแสวิญญาณนี้ไปเกาะร่างกายอันใหม่อีกต่อไปใจก็จะอยู่ตามลำพังอย่างมีความสุขได้ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีในใจอีกต่อไป เพราะเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากต่างๆได้ถูกกาจัดด้วยสมาธิด้วยปัญญาไปแล้วอย่างสิ้นเชิงใจก็จะอยู่แบบสุขไปตลอดสนใจของพวกเราถ้ายังไม่มีพึ่งทางใจไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนไม่มีตัวอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นผู้ปฏิบัติถ้ายังมีความอยากอยากพึ่งสิ่งนั้นอยากได้ความสุขจากคนนั้นคนนี้อยู่ ก็ยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดต่างกันแค่ตรงนี้เองแต่ใจก็อยู่ในโลกทิพย์ด้วยกันใจหนึ่งคือใจของพระพุทธเจ้าพระนัสสาวกนี้อยู่ในอยู่ในโลกทิพย์ที่สงบที่มีแต่ความสุขที่เราเรียกว่านิพานแต่ใจของพวกเรานี้ที่ยังมีตันหาความอยากยังอยากจะได้ร่างกายของคนนั้นคนนี้อยากได้ร่างกายของเราก็จะอยู่ในซี่ของสังสารวัฏ หรือวัฏฏะสงสารซิกที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เท่านั้นเองเพราะใจนี้ไม่มีวันตายไม่ว่าจะเป็นใจของใครก็ตามต่างกันตรงที่ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่เวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเองถ้าเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องทุกข์ต่อไปถ้าไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอัตตาหิอัตโนนาสโ ถ, ถเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเรา เราก็จะได้อยู่ในซีของที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเรียกว่านิพพานซีที่ไม่มีความทุกซีซีที่มีแต่ความสุขแต่ถ้าเรายังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่มีอัตาอตาเหิอตโนนาถุเราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเราก็อยู่ในซีของการของความทุกขซีของการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้แหละคือเรื่อ ง, องราวของที่พึ่งทางใจ ที่พวกเรามาสร้างกันในวันนี้สร้างที่เพึ่งตั้งใจด้วยการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วก็นำเอาคำสอนที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปปฏิบัติด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถปฏิบัติด้วยตนเองเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัตินะก็จะสามารถทำใจให้สงบทำใจให้หลุดพ้นจากความอยากต่างๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่ก็คือเรื่องของที่เพึ่อทางใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอดีสมควรกับเวลาที่ได้กำหนดไว้คือประมาณ30นาทีก็ต้องขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้และในลำดับต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ มาเปลี่ยนเป็นใช้สติเป็นเครื่องมื อ, อการที่ทำใจให้เราสงบได้เราต้องมีสติถ้าเรามีสติเราก็สามารถควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้เมื่อใจนิ่งใจสงบใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาทำให้เราไม่ต้องไปพึ่งร่างกายต่อไปนนเวลานั่งสมาธิสิ่งที่จำเป็นที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสติสติแปลว่าการระลึกรู้ให้เราระลึกรู้อยู่กับอะไร เราเลิกเลี้ยงอยู่กับอารมณ์ที่จะทําให้ใจเรานิ่งให้ใจเราสงบอารมณ์ที่จะทําให้ใจเรานิ่งใจเราสงบเรียกว่ากรร ม, มาฐานกรร ม, มาฐานนี้ก็มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้ทั้งสี่สิบชนิดให้รู้ให้รู้ชนิดเดียวสองชนิดก็พอเช่นให้รู้พุท ธ, ธานุสติคือการให้มีสติและเลิกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธไปภายในใจ เวลานั่งสมาธิเราเจริญพุทธานุสติเราก็ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปผูกใจให้อยู่กับพุทโธอย่าให้ใจลอยไปกับความคิดคิดในอดีตก็ดีคิดในอนาคตก็ดีคิดถึงคนนั้นก็ดีคิดถึงคนนี้ก็ดีอย่าปล่อยให้คิดถ้าคิดก็แสดงว่าใจไม่นิ่งถ้าอยากจะให้นิ่งต้องพยายามไม่ให้คิดแต่ตอนต้นนี้มันยังต้องคิดอยู่แต่เราอย่าไปสนใจอย่าไปตามคิด มันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปเราอยู่กับพุทธโธไปเราอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธไปหรือถ้าเราจะใช้กรรมฐานอีกแบบหนึ่งก็ได้ที่เราเรียกว่าอาณาปณะสติคือการดูลมหายใจเข้าออกดูที่การดูลมนี้ก็ดูได้สองที่ดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่หน้า อ, อกหน้าท้องก็ได้พวกที่ดูหน้า อ, อกหน้าท้องเวลาลมเข้าท้องก็จะพองขึ้นมาเวลาหายใจออกลมออกก็จะยุบลงไป เขาเรกว่วิธีนี้ว่ายุบหนอพองหนอ่อแต่พวกที่ดูลมหายใจที่ปลายจมูกให้รู้ว่าลมเข้าลมออกนี่เรียกว่าอานาปานสติเป็นอันเดียวกันดูลมเหมือนกันแต่ดูคนะที่เท่านังเวลานั่งสมาธิดูลมนี้ต้องให้อยู่กับที่เดียวดูที่จุดเดียวอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกให้ลมเข้าออกของเขาให้เรารู้ตรงจุดที่เข้าเข้าออกที่เขาสัมผัสเข้าออกก็พอเราไม่ต้องการให้ใจทํางาน เราต้องการให้ใจนิง่งใจจะนิ่งนี้ต้องไม่ตามลมไม่ต้องตามเข้าไม่ต้องตามออกไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นให้รู้เฉยๆหรือให้ดูเฉยๆ <S <S ดูลมเข้าลมออกไม่ต้องบังคับลมลมจะหยาบลมจะสัน้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดก็ไม่ต้องไปบังคับมันให้รู้ตามความเป็นจริงของมัน <S <S เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงแม้ว่าตอนต้นมันยังอาจจะคิดอยู่ก็อย่าไปสนใจกับความคิด ให้สนใจกับลมที่เราใช้เป็นกรรมฐานหรือถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปให้สนใจอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆถ้ายัางไม่สามารถดูลมได้หรือพุโทโธได้เพราะใจยังคิดมากอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจในขณะที่เรานั่งสมาธิสวดบทที่เราจําได้จะสั้นก็ได้ยาวก็ได้แต่ต้องสวดสว ด, สวดไปนานๆสวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าใจเริ่มสบายเริ่มไม่ฟุ้งแล้ว ถ้าเราค่อยกลับมาดูลมหรือมาดูหรือมาบริกา ร, รพุโทโธพุโทโธต่อไปถ้าเรามีสติอยู่กับกรรมฐานใจก็จะค่อยๆสงบลงไปเทียรเล็กเทียรน้อยบางทีบางครั้งก็อาจจะสงบแบบพูดพลาดก็ได้ถ้าเรามีสติมีกําลังมากเช่นบริกา ร, รพุโทโธอยู่สักพักหนึ่งมันก็จะรวมลงไปในสมาธิเหมือนตกหลุมตกบ่อไปก็มีแต่ถ้ายัางอื่นถ้าใช้วิธี ดรวมหายใจเข้าออกนี้มันมักจะลงไปเป็นขั้นๆ ข, ขั้นที่หนึ่งเบาลงไปหน่อยขั้นที่สองเบาลงไปเรื่อยๆกระทั่งในที่สุดมันก็จะนิ่งสงบไปเองพอจิตนิ่งสงบแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะตอนนั้นจะจะอยากให้มันอยู่อย่างนั้นไปนานๆเพราะถ้าจิตนิ่งสงบจริงๆจิตจะมีความสุขมากเมื่อเราเจอความสุขมากนี่เราจะไม่อยากจะไปไหนเราอยากจะอยู่กับความสุขนั้นดังนั้นถ้าเราจิตสงบจริงๆเราต้องมีเราต้องเจอความสุข ความสุขที่มายจจ์ใจเมื่อมีความสุขแบบนั้นนั้นเราจะไม่อยากไปไหนตอนนั้นใจก็ไม่ไปไหนใจมันจะมันอยู่กับที่แล้วมันหยุดแล้วมันไม่คิดไม่ปรุงไม่ไม่อยากได้อะไรทั้งสิน้นแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องมีกรรมฐานคอยดึงใจเอาไว้ผูกใจให้อยู่กับลมก็ได้ผูกใจให้อยู่กับพุทโธก็ได้แล้วถ้ามีอะไรปรากฏในขณะที่นั่งสมาธิก็อย่าไปตามรู้ มีภาพมีเสียงมีอะไรขึ้นมามีความรู้สึกต่างๆทางร่างกายก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเราไปสนใจเราจะเสียสมาธิเสียสติสติจะหายสติไม่ได้อยู่กับกรรมฐานเราต้องกลับมาอยู่ที่กรรมฐานถ้าเราใช้ลมก็กลับมาที่ลมถ้าเราใช้พุโทโธก็กลับมาที่พุโทโธต้องมีกรรมฐานระยทั้งจิตสงบเราถึงจะงปล่อยกรรมฐานได้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 อยาไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทําให้มันสงบต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องนะถ้านั่งแล้วยังไม่สงบวันนี้ก็แสดงว่าสติยังมีไม่มากพอควรจะไปเจริญสติให้มากเพิ่มขึ้นมาก่อนในระหว่างวันเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะ แล้วต่อไปจะมีสติมากขึ้นเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วได้นานแล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาาปูราปาริกปุรนติสาขลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชะตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะรัสรยาามณเโชติรัสรยาาสัพพิติยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุปภวะอภิวาตนาสีลิสานิจจังุทธาปะจายโน ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่จะตอบคำถามได้สะดวก ถ้าหลังจากเลิกแล้วจะไม่สามารถตอบได้เพราะจะมีเรื่องอย่างอืงอ่นที่จะต้องทำถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook 260้อ u ห u b ิบยูทพระสุชาติไลฟ์สอง y ้ u ยหกสิบสามยูทูบล็ร v วีเจ็ดสิบวิทยุออนไลน์สิบเอ็ดับเเจ็ดนาติหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดรวมเจ็ด้อยหกสิบแปดค่ะ คำถามฝากถามจากหน้ากุติคะ่ะลูกที่ให้เงินเลี้ยงดูพ่อแม่จะได้บุญแต่ลูกที่อยู่กับพ่อแม่เลี้ยงดูท่านจะได้บาปเพราะทะเลาะ ก, กับท่านดุท่านจริงไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเขาทําอะไรถ้าเขาเลี้ยงดูพ่อแม่เขาก็ได้บุญด้วยไปว่าแม่ไปว่าพ่อว่าแม่ก็ได้บาปด้วยอยู่ที่การกระทําของเขาบางคนอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี พ่อแม่ก็มีความสุขที่เขาได้อยู่แต่บางคนก็อยู่แล้วก็กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่ก็มีคอยมีเรื่องคอยมีปัญหากันอยู่เรื่อยมันก็อยู่ที่พฤติกรรมของแต่ละคนไม่ได้อยู่ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ไกลก็ทาบาป ก, ก็ได้โทรมาด่าวอยู่เรื่อยเวลา <laughs> <laughs> ม, มาเยี่ยมทีไรก็มาจู้จี้จุกจิกเจ้ากี้เจ้าการอย่างนี้มันก็เหมือนกันแหละ มันไม่ได้อยู่ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่การกระทำํำนะทําดีมันก็เป็นมันก็ดีถ้าทําไม่ดีมันก็ไม่ดีคําว่ามันก็แค่สมมุติหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะก็มันเหมือนตัวละครที่เขาเล่นในละครเนี่ยดาราภาพยนตร์เขามีชื่อของเขาชื่อหนึ่งใช่ไหมแต่เวลาเขาเล่นละครเขาก็มีอีกชื่อหนึ่งชื่อสมมติของเขาพวกเราก็เหมือนกันร่างกายของเรานี้มันชื่อจริงมันก็คือดินน้ําลมไฟ แต่มันมาเปลี่ยนมาตั้งให้เป็นนายแจวนายกนายขออะไรขึ้นไปอันนี้ก็เป็นสมมุติถ้ามันไม่สมมุติมันก็จะไม่รู้จะพูดถึงใครเพราะมันเหมือนกันหมดอันนี้ก็ดินน้ำลมไฟอนนั้นก็ดินน้ำลมไฟก็เลยต้องมามาสมมุติกันหน่อยอลนนก็เหมือนกับการเล่นละครเดี๋ยวละครก็จบตัวละครเกิดร่างกายตายไปละครเรื่องนี้ก็สำหรับตัวละครตัวนี้ก็จบไป ถ้าเรานั่งสมาธิได้สงบจริงๆจะไม่เห็นอะไรไม่เจออะไรใช่ไหมเจ้าคะเจอความสุขเลยต้องเจอเลยแ้วมันจะว่างแต่ว่างแต่ยงมีความสุขมากความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มคำถามจากคุณทิติพันธ์ค่ะเวลาทําอาหารถวายพระตักชิมตอนปรุงรสจะบาปไหมคะตอนนี้ทํำจะชิมยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ามาตักชิมต่อหน้าพระก็แล้วกัน เวลาอยู่ในโรงครัจะชิมยงนี้ก็ทำไปแตเ่เวลาเวลาเตรียมเสร็จแล้วใส่จานหรือใส่ภาชนะมาถวายแล้วอ ย, า, อ ย, า, อยาไปตากชิมตอนนั้นอีกทีคำถามจากทางเฟซบุกคุณนาคค่ะใช้วิธีดูลมหายใจระลึกพุทธโธบ้างดูลมเฉยๆบ้างและบางครั้งสลับกับการดูจิตเมื่อเห็นความคิดรู้แค่รู้ คำถามคือข้อที่1เราสามารถสลับการภาวนาทั้งอนาปนาสติและดูจิตสลับกันได้ไหมคะไม่ควรจะสลับกันควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจนกว่จะเห็นว่ามันไม่ไ ม, ไม่เหมาะค่อยเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามความรู้สึกเราต้องการผูกจิตไม่ให้ลอยไปลอยมาถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เท่ากับปล่อยให้จิตลอยไปลอยมาเราต้องการผูกจิตให้มันนิ่งให้มันสงบ เช่นั้นผูกไว้กับพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเริ่มต้นเวลาฝึกพุโทโธแล้วมันเอาไม่อยู่เพราะมันคิดมากก็เอากลับมาสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ก็สวดไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบเดี๋ยวเปลี่ยนอีกว่าสวดไปจนกว่าจิตจะเบาจะหายฟุ้งแล้วค่อยมาเปลี่ยนมาดูลมต่อหรือมาพุโทโธต่อแล้วพอเปลี่ยนแล้วก็ต้องเอาอย่างนั้นอย่างเดียวไปเรื่อยๆไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวดูจิตบัง่งเดี๋ยวดูลมบ้างเดี๋ยวดูไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าทําอย่างนั้นก็นั่งไปจนวันตายก็ไม่มีไม่มีวันที่จะสงบได้คําถามข้อที่สองค่ะการดูลมหายใจบางครั้งรู้ว่าร่างกายหายใจเห็นลมหายใจเห็นการกระเพื่อมของร่างกายและบางครั้งคําบริกรรมพูดโทหายไปลมหายใจหายไปเหลือแต่ความเงียบสงบไม่มีเสียงใดๆ ความสุขความเบาอยู่ภายในจนบางครั้งไม่อยากออกจากการลืมตามาทำกิจการงานใดๆคำถามคือถ้าเราจะพัฒนาการภาวนาให้ก้าวหน้ากว่านี้จะพิจารณาท่าทั้งสีน่นี้ควรทำอย่างไรต่อคะถ้ายังไม่ชำนาญทางสมาธิยังไม่ต้องไปทางปัญญาพยายามฝึกสมาธิไปให้ชำนาญให้เข้าสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนก่อนต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็สามารถทาได้ ทุเวลานาทีหลังจากนั้นเราค่อยไปทางปัญญาต่อไปจะไปทางปัญญาก็ต้องรอให้ออกจากสมาธิอย่าทาในขณะที่อยู่ในสมาธิคําถามจากคุณนาวินค่ะเมื่อพบธาตุรู้แล้วความทุกข์จะหายไปให้อยู่กับธาตุรู้ไปจะเกิดปัญญาเห็นไตรักใช่ไหมครับไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสมาธินี้เป็นที่พักที่ ที่พักผ่อนของจิตที่ให้พลังกับจิตแต่ไม่ได้ให้ปัญญาปัญญาจะเกิดจากการศึกษาจากการวิเคราะห์จากการพิจารณาพิจารณาไตายรักพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาถึง จ, จะเกิดปัญญาขึ้นมาคําถามจากคุณปณิดาค่ะในภาวะที่ร่างกายเจ็บป่วยที่การภาวนาพุทโธทําได้ยากเพราะอาการเจ็บป่วยเด่นขึ้นชัดกว่า สามารถยึดอาการเจ็บปวดแทนคำภาวนาได้หรือไม่คะถ้าทำได้ก็ดีท่านใช้ใช้เวทนาเป็นเป็นอารมณ์แล้วก็ไม่ลดสงบไดจากการใช้อารมณ์นั้นก็ดีคำถามจากคุณไทเกอร์ค่ะการตัดความโกรธคือตัดความคิดทิ้งไปทันทีหรือต้องเข้าไปพิจารณาอารมณ์นั้นครับถ้าหยุดได้ก็หยุดเลยไม่ต้องไปพิจารณาถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องไป หาสาเหตุว่าเราโกรธเขาเพราะอะไรก็จะได้คําตอบว่าเกิดเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเขาด่าเราเราก็เลยโกรธเขาถ้าเราไม่อยากจะโกรธเขาเราก็เปลี่ยนใจเราอย่าไปอยากให้เขาดีกับเราเขาจะดีกับเราก็ได้ไม่ดีกับเราก็ได้เราก็จะไม่โกรธเขา คำถามจากคุณพียูโฟมค่ะเวลาเดินจงกรมแล้วนึกถึงหน้าพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนเดินรู้สึกจิตสงบทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็มันก็จะนึกได้นานเท่าไหร่นะฉันนึกรูปเวลาเดินให้ดูเท้าจะดีกว่าหร้ออยู่กับคำบริกรรมพุทธโธจะง่ายกว่าคำถามจากคุณหอพักแสงเดือน เมื่อบารู้ธรรมเป็นพระ อ, อรหันต์แล้วยังมีอารมณ์โกรธและอารมณ์ขันหัวเราะกับเรื่องทางโลกไหมเช่นเห็นเหตุการณ์บางอย่างที่ประสบพบเจอครับเดี๋ยวรอให้เป็นก่อนก็นรู้เองสันติโก <c oughs> <c oughs> หมดแล้วเหรอคำถามหมดค่ะ <c oughs> อย่าไปคาดคะเนกับสภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคาดไปก็ไม่ถูกเหมือนกับ เราไม่เคยไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเราก็วาดภาพไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้<ม>พอไปถึงสถานที่นั้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราวาดภาพก็ได้เพราะนั้นอย่าไปกังวลถ้ายังไม่เกิดก็อย่าไปกังวลให้กังวลกับการปฏิบัติดีปะ่ะว่าเรามีสติหรือไม่เรามีสมาธิหรือไม่เรามีปัญญาหรือไม่ให้เน้นที่เหตุอย่าไปกังวลกับเรื่องผลผลต้องให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้น เน้นที่เหตุก็คือจเจริญสติให้มากๆนั่งสมาธิให้สงบพิจารณาตายรักบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะพาเราไปสู่จุดนั้นเองมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้น ะ, ะมีไมโครโฟนเข้ามาแล้วก็หยิบขึ้นมาถามได้พูดคนเดียวก็เหนื่อย อย่างเงี้ยบางให้คนอื่นได้พูดบ้างอย่าง น, นี้เลี้ยวแรงก็น้อยลงไปเลยอย่าง น, นี้ั้องลดเวลาเทศลงเหลือจากจากชั่วโมงเหลือสามสิบนาทีแล้วก็ขึ้นชั่วโมงก็มานั่งสมาธิแทนก็สบายหน่อยการจะเรนจะกาจะพูดจบชั่วโมงหนึ่งนี้ก็เหิดขึ้นคอเหมือนกัน พอสามสิบนาทีเอ้าจบแล้วเลยหมดเวลาแล้วเลยเร็วได้พักได้พักอีกครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาพูดตอนที่ถามตอบคําถามอีกทอดหนึ่งมีคําถามไหมค่ะมีคําถามจากคุณไทเกอร์ค่ะคนที่เบียดเบียนเราแล้วมาขอโทษเราเรารับคําขอโทษแต่ระวางอุเบกขาไม่คบกับเขาต่อไปเรียกว่าผูกโกรธไหมครับก็อยู่ที่เราผูกหรือเปล่าเอาจจะไม่ผูกแต่เราไม่คบกับเขาก็ได้ คืเราเข็ดไงไม่ไม่โกรธโกรธจะซ้ำซากอีกเดี๋ยวไปคบกันเด็กก็จะเรื่องเก่าอีกเพื่อความปลอดภัยก็อยู่ห่างๆกันดีกว่าคําถามจากคุณ น, นิกค่ะการนั่งสมาธิเราควรเพ่งดูลมมีสติกับการดูลมหรือเราควรตามรู้จิตที่ส่งไปมาคะอ๋อต้องดูลมอย่าไปตามรู้จิตถ้าตามรู้จิตมันก็มันก็จะไม่นิ่ง แม้แต่ลมเราก็ไม่ให้ตามลมให้ให้ดูลมที่จุดเดียวจุดที่ลมเข้าออกที่ปลายจมูกอยู่ที่จุดเดียวเราต้องการทำจิตให้นิ่งถ้าเราไปดูจิตมัน ก, มนก็มันก็ไม่มีวันนิ่งเพราะจิตมันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่เรื่อยคำถามจากคุณสุภาพรค่ะเคยไปหาพระแล้วต่อมาข้องใจเพราะพระตาหนิผู้ที่ทำบุญน้อยรือไม่อยากไปหาพระอีกทำยังไงดีคะ ก็พระมีต้องเยอะแยะเนี่ยไม่ชอบองค์นี้ก็ไปองค์อื่นก็ได้ไม่มีใครบังคับมีเรื่องประกาศพอดีช่วงออกพรรษานี้จะมีวันตักบาตรเทโวซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุทธที่แปดแล้วก็จะไม่มีการบินทบาทสายบ้านอำเภอหนึ่งวันเพราะจะพระเนงจะต้องบินทบาทในวัดแทน เรามีพิธีตักบาตรเทวทิวัเอาจานั้นถ้าท่านที่เคยใส่บาตรที่บ้านอำเภอทุกวันก็ต้องขอให้ทราบว่าวันที่วันพุธที่แปดนี้จะไม่มีพระไปเดินบิณฑบาตหนึ่งวันคำถามจากคุณกโลกลาบเรียนถามครับวิธีใช้ปัญญาดับเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยอะไรครับ ถามใหม่ใชถามว่าวิธีใช้ปัญญาเพื่อดับเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยอะไรครับเอ๋อเราดับมันไม่ได้เราเราต้องปล่อยท่านเองเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้กําหนดไม่ได้หยุดมันไม่ได้มันจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดมันจะดับก็ต้องปล่อยให้มันดับให้รู้เฉยๆแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับมันการปฏิบัตินี้ไม่ไม่ไม่ไม ปฏิบัติเพื่อไปควบคุมบังคับสิ่ง ต, ต่างๆให้เป็นไปตามความอยากของเราการปฏิบัติเพื่อให้ใจเรารู้ทันแล้วปล่อยวางรู้ว่าเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเกิดจะดับนี่เราไปทําอะไรไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากให้เขาไม่ เ, ไมเกิดบ้างไม่ให้ดับบ้างเราก็เลยทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราแค่เฉยๆไปไปล่อยเขาไปไปล่อยเขาเกิดไปไปเขาดับไปหมดแล้วเหรอคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะ